เมื่อ3าสี่เดือนก่อนนะมันมีฝรั่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยล่องเรืออยู่กลางทะเลปรากฏว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างเรือก็เลยเหลียวไปดูปรากฏว่าเป็นอะไรรู้ไหเป็นปลาวานปลาวานน้อยแล้ก็ดีใจนะเพราะว่านานๆจะได้เห็นปลาวาฬ น, น่ารักด้วยแต่เขาสังเกตนะว่าเสียงมันร้องแปลกๆเหมือนกับมันมีความทุกข์อ่ะ แล้วก็มองไป ร, บรอบๆนะไม่เห็นปาวานตัวอื่นเลยปกติเนี่ยปาวานน้อยเนี่ยมันต้องอยู่กับแม่นะเหมือนกับช้างตัวน้อยเนี่ยต้องมีแม่อยู่ข้างๆและนี่เห็นปาวานน้อยตัวเดียวและเสียงร้องก็แปลกๆเหมือนกับว่ามีความทุกข์ก็มีคนหนึ่งบอกว่าสงสัยปาวานเนี่ยกลังต้องการความช่วยเหลือก็เลยมีคนวิทยุไปบอก เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเรือยามชายฝั่งพอเจ้าที่รู้นี่ก็รีบมาเลยนะเพราะว่าเรือลํานี้มันไม่ได้อยู่ห่างจากฝั่งมากเท่าไหร่แล้วพอมาถึงเนี่ยเขาฟังเสียงประวานน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นประวานน้อยเนี่ยพอมันเห็นเรือของยามชายฝั่งนะ มันก็มาไหวยอยู่รอบๆเหมือนกันรู้ว่าเนี่ยนี่คือคนที่จะมาช่วยเขาได้แล้วเปรววานน้อยเนี่ยก็ไหวนำหน้าเลยระหว่างที่ไหวนี่ก็มีอาการลุกลี้ลุกลนแล้วก็ไหวเร็วๆเลยนะพยายามเร่งสปีดเจ้าหน้าที่ก็เลยรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ข้างหน้าแน่นอนระหว่างทางนะปาวานน้อยก็ส่งเสียงร้องเป็นระยะๆะะะะกลัวกลัวว่าเรือจะคลาดสายตาเรือก็แล่นมาติดๆเลยนะจนเข้าไปถึงเกาะแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเกาะเนี่ยค่อยเห็นปาวานใหญ่ตัวหนึ่งนะมันกำลังดิ้น่ะ รูไหมมันดิ้นเพราะอะไรมันติดอวนมีคนมาวางอวนเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมันมีปลาเยอะเพราะว่ามันมีมีเกาะมีแก่งปลานี่มันบางทีมันก็ชอบอยู่ตรงนั้นแหละคนก็วางอวนเอาไว้แต่ว่ามันเป็นทางสัญจรของปราวานด้วยปราวานตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันติดอวนอยู่แล้วมันก็ดิ้น ส่วนปาวานตัวน้อยนี่ก็ไหว้เข้าไปหาปาวานตัวใหญ่เลยแสดงว่าเป็นอะไรกันเป็นแม่เป็นแม่เจ้าที่เนี่ยพอเห็นปาวานตัวแม่เนี่ยดิ้นเนี่ยตรงเข้าไปเลยนะแล้วปาวานตัวแม่นะพอมันเห็นคนนะปกติมันจะกลัวคน นะปาวานจะไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนมันกระช้างนะเจอคนจะหนีเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเห็นคนเข้ามาใกล้นะั้นนิ่งเลยนะ่ะนิ่งเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนจะมาช่วยแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าดิ้นมากๆนี่คนที่ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเพราะว่าปาวานตัวใหญ่มากนะมันดิ้นนีเดียวนะบางทีเลือพลิกคว่ำเลย ประวานนิ่นงๆเลยนะยอมให้คนนี้เข้าไปใกล้ๆเจ้าที่นี้ก็บังคับเรือให้เขาไปอยู่ ใ, ใกล้ๆประวานตัวแม่แล้วทาไมจะช่วยเขาได้อะประวานติดอวนนี่ยทำไมจะช่วยได้พวกเรารู้ไหมก็ต้องหาทางตัดตัดเชือกที่เป็นอวนนะ อว น, นี่นะมันไปติดถางอว น, นี่มันไปติดถางแล้วก็ลำตัวส่วน ป, ปลายเจ้าที่นี่ก็กล้านะคนนี่นะมันเล็กมากนะเมื่อเทืยบกับปลาวานนะแล้วถ้าเปลาวานีสบัดหางนะคนก็กระเด็นเลยบางทีตายด้วยนะถ้าโดนจังๆแต่ว่าปาวานตัวนี้มันนิ่งเลยนะยอมให้คนเนี่ยไปตัดอวนที่อยู่หางมัน สัตว์จำนวนมากนี่นะมันหวงหางนะมันหวงหางมากเลยแม้กระทั่งหมาของเราเนี่ยนะแมวนี่นะนนะไปจับหางมันนี่มันไม่ชอบนะเพราะว่าหางนี่เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าปาวา น, น, วนเนี่ยจะว่ายน้ําเนี่ยต้องใช้หางบังคับทิศทางมบนหางเรือแต่ว่ามันยอมให้คนเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหางเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยตัดอวนที่ติดหางตัดสําเร็จนะ ช้เวลาไม่นานเพราะเขามีเครื่องมือพอสําเร็จนะโอ้ยปาวานน้อยมันดีใจอย่างเลยนะเสียงมันเปลี่ยนเลยนะจากร้องอีอีอีเหมือนกับกำลังร้องไห้หรือกําลังทุกข์ทรมานนี่กลายเป็นเสียงดีใจเลยนะเสียงดีใจของปาวานน้อยนี่โอ้มันมันชัดเจนมากปาวานแม่เนี่ยพอหลุดจากอวนนะรีบไหว้หนีไปเลยไหว้หายไปเลยนะเหลือแต่ ปาวานน้อยนี่ถอยที่อยู่ ใ, ใกล้เรือดีใจนะเสร็จหน้าที่แล้วเป็นไงเจ้าหน้าที่ก็ขับเรือแล่นเข้าฝั่งเสร็จหน้าที่แล้วเนี่ยนะปรากว่าปาวานน้อยนี่ไหวาตามไหวาตามนะแล้วปรากฏว่าสักพักนี่ปาวานใหญ่ตัวหนึ่งก็ไหวามาด้วย มันหลบนะมันหลบคนแต่พอมันลั่วคนที่ช่วยเพื่อนนอนไว้นี่มันโผล่มาเลยโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ไหว้าตามเรือเรือกําลังแล่นเข้าสู่ฝั่งปลาวานหลายตัวแลยนะก็ไหว้าตามไหว้ไปทําไมรู้ไหมไหว้ไปส่งส่งกลับฝั่งส่งคนกลับฝั่งนะโอ้ปลาวานี่มัน รู้จักขอบคุณนะรู้จักทราบซึ้งในน้ำใจของคนที่ช่วยเขาพเพราะเรือไปถึงฝั่งนะปาวานทั้งฝูงก็หยุดเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะน้ำมันน้ามันตื้นปาวานนี่ต้องการน้ำลึกก็รออยู่ส่งคนขึ้นฝั่งซอกพะบวกว่าปาวานแม่ตัวที่ได้รับความช่วยเหลือนี่มานะโผล่มาแล้ว แล้วไม่ได้ผลมาเปล่าๆนะในปากนี่ค่าบังฆ่อะไรรู้วหมฆ่าปลา ก, กระเนบนฆ่ามันทําไมรู้ไหมา่ามาทําไมฆ่ามาเป็นของ ข, องขวัญแทนกับคน <c ười> คิดว่าคนที่ชอบปลากระเบนนะปลาวานแม่ที่ติดอ้วนเนี่ยนะพอได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาทราบซึ้งน้ําใจที่เขาหายไปนี้ไม่ได้หายไปไหนนะหายไปค่าปลากระเบนเพื่อมา มอบเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับคนนะโอซันนี่มันน่าทึ่งนะดูเหมือนเป็นเดรัจฉานนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกมีหัวจิตหัวใจนะเริ่มตั้งแต่ปาวานน้อยเนี่ยก็มีความกระตันอยู่กับแม่รักแม่แม่เดือดร้อนนี่ตัวนี่ยอมเสี่ยงภัยนะไปหาคนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนี่จะช่วยวป่าเพืนคนนี้ ยิงเอาเอาชมุมวกแทงนะแต่ว่ายอมเสี่ยงและลึกๆก็คงคิดว่าคนเนี่ยมีน้ําใจจะช่วยได้นะแล้วเขาพยายามนะทีแรกเรือเนี่ยมันไม่ได้แล่นนิ่งๆ น, นะทีแรกเรือไม่อยู่นิ่งๆแล้วนะมันแล่นนะปะวานน้อยเนี่ยก็พยายามขวางเรือไว้ไม่กันไม่ให้เรือเนี่ยออกทะเลกว้างขวางเอาไว้นะไม่ให้ไป เพราะอะไรเพราะอยากให้มาช่วยแม่คนก็เลยรู้ไงว่าปาวานน้อยนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือนี้พอช่วยเสร็จนะเขาขอบคุณนะดีใจนะดีใจขอบคุณคนที่ช่วยแม่เขาปาวานตัวหนึ่งก็ขอบคุณซาบซึ้งน้ําใจของมนุษย์นะที่ช่วยเพื่อนส่วนปาวานตัวที่ถูกติดอวนเนี่ยก็เหมือนกันนะไม่ได้ซาบซึ้งอย่างเดียวนะ ไปหาของมาตอบแทนด้วยอันนี้เรียว่ามีความกระตันอยู่มีความรู้จักขอบคุณนะไม่น่าเชื่อนะสัตว์เล็กๆนี่สัตสัตที่สมองเล็กๆนี่นะมันมีน้ำใจนะแล้วไม่ใช่แต่เปลาวานนะบางทีสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยไม่ต่างจากคนเลยนะมีความกะตันอยู่ มีคุณป้าคนหนึ่งนะแกก็เจ็ดสิบกว่าแล้วแกเลี้ยงหมูให้ตัวหนึ่งนะหมูตัวนี้ชื่อรูลูเป็นหมูพันธุ์เวียดนามอายุหนึ่งขวบไม่ได้เียงไม่ได้เลี้ยงในคอกนะเลี้ยงในบ้านเลยนะต้องอาบน้ำให้มันสะอาดสะอ้านวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าเนี่ยหัวใจวายเป็นลมเลยนะ แต่ยังพอมีสติก็เลยร้องขอความช่วยเหลือรูรู้อยู่ ใ, ใกล้ๆนี่ก็เลยตรงเข้ามาเลยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะเห็นคุณป้าร้องเนี่ยรูรู้นี่อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงสักพักนึกขึ้นมาได้นะรูลูล้เนี่ยออกไปข้างนอกเลยฝรั่งเนี่ยประตูยังเขาจะมีช่องให้หมาลอดเข้ารอดออก ให้รูรูเนี่ยมันก็รอดเข้าทางช่องรอดออกทางช่องนั้นแหละแต่ช่องของหมานี่มันเล็กกว่าตัวของรูลูนะแต่ลูลูก็ไม่ยอมนะพยายามเนี่ยเบียดตัวเองรอดช่องออกไปที่ถนนใหญ่ไปถนนแล้วนะทํางานรู้ไหมเรียกเรียกให้คนเนี่ยหยุดแต่ไม่มีคนเดิ น, ม, น ม, มันมีแต่รถผ่านไปผ่านมา ดูลู่เรียกให้รถหยุดรถไม่หยุดเลยทำไงจะให้รถหยุดฮะถ้าเป็นเราทำไงจะให้รถหยุดลูลู่ออกไปขวางถนนเลยไปที่กลางถนนขวางรถเอาไว้แล้วไม่ได้ขวางเฉยๆนะนอนเอาตีนชี้ฟ้า ท, ทําทีเหมือนตายฝรั่งนี่นะ เจอหมูเจอหมาอยู่กลางถนนนี่เขาไม่ชนนะเขาต้องหยุดนะเขาไม่กล้าชนเขาหยุดนี่เป็นวิธีเดียวที่รูลูเนี่ยจะให้คนหยุดได้ขวางถนนขวางรถเอาไว้แล้วก็แกล้งตายเจ้าของรถเนี่ยพอพอเบรกหยุดหน้ารูลูเนี่ยก็ลงจากรถพอลงจากรถหน้ารูลูนี่มันพลิกตัวเลยนะวิ่งไปที่ บ้านของตัวเองวิ่งไปทำไมวิ่งเพื่อ น, นําทางนําทางเจ้าของรถเจ้าของรถนี่ก็เดินไปที่บ้านของลูลูไปถึงประตูแล้วก็ส่งเสียงเรียกเจ้าของบ้านว่าคุณครับหมูคุณเป็นนายหรือเปล่าครับท่าทางมันไม่ค่อยสบายนะ <laughs> ก็มีเสียงร้องจากคุณป้าที่อยู่ในบ้านว่าฉันก็แย่เหมือนกันช่วยฉันด้วยชายคนนั้นก็เลยเปิดประตู ดีนะที่ไม่ล็อกเอาไว้แล้วก็เห็นคุณป้าท่าทางแย่ก็เลยเรียกรถพยาบาลมารถพยาบาลรีบมาทันทีเลยแล้วก็มารับคุณป้าเข้าโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ได้หมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้15หนาทีตายแล้วช่วยไม่ทันโอ้ย ล, ลูนี่ช่วยเจ้านายนะ ล, ลููนี่เป็นหมู อายุแค่ขวบเดียวนะแต่ว่ารู้ความมีความกระตันอยู่นะเจ้าของป่วยก็รู้ว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ฉลาดด้วยนะรู้ว่าจะช่วยยังไงตัวยังช่วยไม่ได้ก็ขอแรงคนอื่นช่วยแล้วก็รู้นะว่าจะให้คนอื่นมาช่วยได้ยังไงนะต้องเอาตัวเนี่ยขวางรถเอาไว้ต้องมีความกล้านะเพราะรู้ของรู้ว่าถ้าโดนรถชนนี่ก็ตาย เสี่ยงแต่ว่ายอมทําอันนี้เพราะอะไรเพราะความกระตันอยู่รู้คุณนะตอนหลังรู้รูนี่ก็ได้รับรางวัลนะรางวัลจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ให้เหรียญกลายเป็นหมูชื่อดังไปเลยนะนี่ขนาดสัตว์นี่นะจะเป็นปลาวานก็ดีเป็นหมูก็ดีนี่มันมีความกระตันอยู่นะรู้จักรู้คุณยอมเสี่ยงภัยเพื่อช่วยผู้มีพระคุณ แลคนเราเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราต้องไม่ได้เพียกว่าพวกสัตว์เหล่านี้นะต้องมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เป็นบุปการีหรือผู้ที่มีพระคุณแม้จะยอมเสี่ยงก็แม้จะเสี่ยงก็ยอมนะอันนี้คือคุณธรรมของคนเราที่ควรมีเพราะแม้แต่สัตว์นิมยังมีคุณธรรมเลย และเราซึ่งเป็นมนันโดนนี่จะไม่มีตรงนี้เชลือให้ พ, พวกเรานี่เป็นเนนี่นะก็ขอให้มีความกตัญญูรู้คุณนะโดยเพราะกับอุปการีพ่อแม่ช่วยงานบ้านบ้างนะหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําตัวให้ท่านเดือดร้อนให้ท่านวิตกกังวลแค่เราทําตัวเป็นคนดีนี่ก็พ่อแม่ก็มีความสุขต่ออายุต่ออายุให้ท่านได้แล้วนะยังไม่ต้องช่วยท่านหรอกนะไม่ต้องช่วยงานอะไรท่านแค่ช่วยทําตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินยัยใฝ่รู้ ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะแล้ว